ก็อยู่ชมหาที่มันแล้วสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ Pink Mango กลับมาอีกครั้งนึงนะครับผมใช่ดูแล้วแปลกๆ2 คนนะ 3 แถมแบบทําไมแบบว่าใช่มัน ใช่มั้ยอะไรนิสสัตต์ประเทศอะไรอ่ะอันใช่เป็นตัวอะไรเลยเอ่อแล้ว เออนั่นน่ะสิแล้วนี่อะไรมีซะบางมีซะบางนี่แหละโอ้ไม่แน่นะอาจจะเขี่ยอ่าได้อ่ะเดี๋ยวดูๆหรือเปล่านะครับปินอืม 87 ตอนนี้เหลือแล้ว เออ big bag 87 กก. ตอนนี้นะครับเหลืออยู่ 78 ครับซึ่งแบบไม่น่าเชื่อไม่รู้ พี่โนปกติเนี่ยก็เป็นบอยธรรมดามันไม่ได้มันต้องสวยเรา 3 คนก็จัดรายการ Bangkok Radio Formal เป็นหลักก่อนะครับแล้ววันนี้ Bangkok Radio Formal Reunion กันขึ้นมานะได้ ไม่ได้ใส่ใช่ใจก็มาสิจะเอ้านะคุณผู้ SMS มาได้ 422 1935 อ้าวถูกเป๊ะไม่บางที 1935 เพราะมันมี 422 อื่นไง 422 ใช่ ดิสัล data อะก็พอไหวนะคุณเออเอาแม่หน้าวันนี้สวยๆนะเหรออะไรๆอ่ะอะไร คุณของฉันก็ถึงฉันจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะครับหน้ามาดูกันมา 1 2 3 4 6 ใช่มั้ย 1 2 3 4 5 6 กี่ตัว แล้วก็ก็ถ้าเกิดเป็น 11 ตัวซวยเลยนะคุณใช่ก็มีทั้ง 1 6 7 8 Trust No one อันนี้แบบดูครีเอท No one เริ่มครับมี ABC 1 2 3 นะหรือคําว่าพาสเวิร์ดไปเลยแบบ how are you ตั้ง how are you ตั้ง how are you password m5 thank you คือคิดอะไร 10 นะครับก็ dragon d r a g o n ที่ตั้งเฉพาะ 10 อันดับดราก้อนพี่มังกร dragon นะใช่อัน คุณผู้ชมวัยนะครับบอกว่าเวลาตั้งพาสเวิร์ดไม่อยากโดนแฮกนี่แฮกเกอร์เข้าใช่แนะนําว่าเป็นๆๆนะบางที เอาเบอร์โทรศัพท์นั่นแหละเบอร์โทรศัพท์ตัวเองของของคน ID เออบาร์เลข T ประสบการณ์เออก็ถึงบอกว่าคือว่าซึ่งซึ่งส่วนมาก ถาม Facebook แล้วว่าเป็นอย่างไรถ้าคุณเป็นเก้งกวางเนี่ยแล้วปรากฏมามาเป็นเรื่องหนังอ่าอันนี้ บางกอกออนราออนไลน์เนาะบางกอกออนไลน์มีผู้กํากับมาสัมภาษณ์ในรายการเราไปแล้ว สุดยอดมากจนเค้าต้องมาฝากแล้วขายอ่ะเหรอที่โทรเข้ามานะครับเออเด็กๆ 89 เด็กปันนี่ก็หลับแล้วล่ะเด็กเค้าดูย้อนหลังการทูแล้ววันนี้นะคุณผู้ชมวันนี้นะเค้าจะไอ้นี้ด้วยบันทึกเสียงคลิปเสียงทั้งทางอ้าวเราเป็นปกติอ่ะพูดซะยาวเรามี อืมครับผมดีเลยช่วงอัปเดตอืมอ่าอัปเดตข่าวนี้อัปเดตเธอนึกฉันก็คิดว่าจะไปไหน 1 ชั่วโมงเป๊ะไปเป็นมาอ่ะมาข่าวเลยข่าวแรก ตกกระป๋องมากเลยเข้าใจคุณก็บอกว่าเค้าบอกวิจัยนะครับนะเค้าบอกว่า 4 อันดับที่ 4 นี่คือไม่เลวนะจาก 10 ประเทศนะ 4 ครั้ง 7.7 ครั้ง อืมซึ่งต้อง 7 ครั้งไอ้ 7.7 ครั้งนี่มันทํา 7.7 ครั้งเนี่ยใช่ต้องไม่เข้าใจครั้งนี่แหละเค้าเรียกว่าแล้วโอเคหยุดใช่มั้ยหยุดถ้า กับในว่าจากการ 31 ถึง 74 ปี 3,000 กว่าคนนะ 3,282 คนแบ่ง 1,658 คนหญิง 1,624 คนใน 10 ประเทศก็คือแถบเอเชียของเรานี่แหละนะครับฮ่องกงอินเดีย แข็งที่สุดแข็งเอ่อขยันขันแข็งขยันขันขยันขันบ่อยอะไรนะฮะเออๆอ่าใครขยันขันบ่อยเออตอนนั้นอินโดนีเซีย 4 เกมเหรออ๋อเป็นไปได้นะคือก็ส่วนส่วนผู้หญิงประเทศไหน ทำไมอ่ะเค้าก็กดดันหรอไม่รู้ว่าคน 6 คุณเค้า เพื่อไม่ให้เสียกชื่อไม่ให้เสียชื่อประมาณ 9.2 ครั้งต่อเดือน 2.2 ครั้งนี้ก็ยัง 1,600 คนแต่ 5.7 แปลว่า 5.7 ไป 9.2 ส่วนที่เหลือ หรือเปล่าอีกอีกอย่างคือค่าตัวที่เหลือก็คือแบบต้องจินตนาการเอา ED ก็มามาสู่อีกเรื่องนึงเลย 2 กันเรื่องที่ 2 this function นะครับซึ่ง 4 ระดับครับระดับระดับอ่า 1 คืออันที่ 1 ก็คือระบุ เป็นคําว่าแล้วลมโอ้ปฏิลมอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นตัวมือ คนที่ 4 เนี่ยคือคนปกติครับเออยัง 4 อยู่ใช่ 5 แล้วมั้งเนี่ยเอาไม้เช่นโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วน 2.7 ล้านคนเนี่ยเพียง 2.7 คน 2.7 หมื่นคน 2.7 หมื่นคนๆเขาบอกว่าบางโอเคที่เดิมก็อาจจะเปลี่ยนอยู่ ไม่ใช่ครับเราจะบอกว่าไประเบียงต่อแล้วก็ตกระเบียง DVD ได้ไงครับอาจารย์จะเป็นเรื่องของ แต่ก็มีอะไรกับผู้ชายได้ไม่ได้ปิด Google ที่เป็นเกย์และเลสเบี้ยนผู้ที่ดำงาน